บรริูโซสมัมเนาทั้งหลายในวันรดญาโ ย, ายามพุทธบริษัทที่รับฟังสำหรับวันนี้ก็มาฟังเรื่องในสมัยที่ผมเป็นคนบ้าแล้วก็วันที่พูดเก็บเสียงไว้ก็เป็นวันที่2กรกฎาคม2527ตอนนี้เผอว่าผมตายไปแล้ว จะได้ทราบว่าผมพูดไว้ตั้งแต่เมื่อไรความจริงเรื่องผมเป็นคนบ้านี่ผมเป็นมาหลายปีตั้งแต่พศ2518ความบ้าของผมมันงับลงเมื่อปีพศ2524แต่ว่าท่านหลายาจจะถามว่าทำไมถึงบ้า เปิดความจริงผมรู้สึกตัวว่าผมยังไม่ดีบาแต่ว่าถ้าจะบ้าก็ใช่เหมือนกันที่ว่าใช่ก็เพราะว่าอารมณ์ไม่เหมือนคนอื่นตามธรรมดาถ้าเราเข้าวงเหล้าไปนั่งกับคนที่เขากินเหล้าถ้าเราไม่กินเหล้าด้วยเขาหาเราบา้าเขาเล่นการพ น, นันถ้าเราไม่เล่นการพนันกับเขาก็าหาเราบา้า นิจนิทาข้าววงพระ <c oughs> ถ้าพระท่านเอาแต่ทํรรายอย่างเดียวแล้วก็ไม่ปฏิบัติตามประทมคำสั่งสอนองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าถ้าเราปฏิบัติตามพระพุทธเจ้าซึ่งมีความรู้ไม่เหมือนเขาเขา่าหาวเราบ้า <c oughs> แต่สำหรับความบ้าของผม ไม่ใช่แต่ว่าพระจะให้บามันเป็นทั้งพระทั้งประชาชนหลายคนด้วยกันที่เขาให้บาความก็มีว่าเมื่อปอศ 2,518 ปีนั้นหล่อลูกรุวงพ่ปานที่วัดท่าสงอเภอเมืองจังหวัดุทยธานี อันยิงวิภาวดีคือหม่อมเจ้ายิางวิภาวดีท่านได้ทูลเชิญพระบาทสมเด็จเจ้หัวก็สมเด็จพระบรมราชินีนาถให้มาเททรงเททองแล้วก็ในการนั้นตามธรรมดาพระบาทสมเด็จเจ้หัวนี่ท่านเสด็จไปไหนสิ่งมหัศจรรย์ที่เราไม่คิดก็จะปรากฏขึ้นเสมอนั่นคือฝนตก อากาศปกติธรรมดาธรรมดาไม่น่าจะมีฝนก็มีฝนตกลงมาแต่เวลาที่ฝนตกฝนไม่ทำความเสียหายแก่งานเลยทุกคนเตลียดกลัดมีความชุ่มชื่นเพราะเวลานั้นเป็นเวลาฤ ด, ดูร้อนมากประเดืนเมษายนแต่ว่าเวลาใกล้ที่พระบาทสมเจเจ้าว่าจะทรงพรเดชจริงๆจะมาถึงฝนก็หายหมด พ่ากลัาคนทุกคนรับความเชื่อมใจเป็นวิเศษ <c oughs> อาการอย่างนี้บรรดาเพื่อนพิสุทธิ์สมณีและญาติโยมพุทธบริษัทที่รับฟังโปรดทราบจะคิดว่าฝนตกเป็นเรื่องธรรมดาของอากาศดินฟ้าอากาศอันนี้ไม่จริงแน่ทางนี้เพราะอะไรพรว่าพิสุทธิ์แล้ว ก็เวลาพวกเราเรามากันเองพระมากันต้องเยอะแยะถ้ามันฝนไม่ตกแล้วก็ะดูนั้นไม่ใช่จะดูฝนก่อนหน้าที่ฝนจะมจะตกก็ไม่มีทีท่าเลยว่าฝนจะตก <c oughs> สาหรับวันนี้ยเสียงแรมเอมไอขากเช้หมาบังก็ต้องขออภัยเรายังป่วยอยู่มากตอนเช้าเดินโซซัสโซซีถึงเวลา8โมง อาการยังไม่ค่อยดีขึ้นว่าตอนนี้ก็รู้สึกว่าใจสันนลิกแต่ว่าเพื่อธรรมะเพื่อธรรมะผมก็ทำทำเพื่อช่วยการปฏิบัติกรรดาเพื่อนิสุทธิ์สมณีฉะ น, นั้นถ้าว่าเสียงจะแหกแพ้งไปบ้างการขาดเสื้อขาดเสื้อ้าจะปรากฏขึ้นก็ต้องขออาภายัย <c oughs> เนนั้นว่าเมื่อพระบาทสมเด็จเจ้าหัวทรงเด็จแล้วมีพระบรมราชินีนาสเสด็จ ด, ด้วยการเททองปรากฏขึ้นต่อมาก็มีโอกาสได้เฝ้าพระบาทสมเด็จจหัวในในโบสถ์และพระอุบโบสถพรองก็ทรงตรัสถามหลายๆอย่างแต่ว่าพวกคนทั้งหลายโปรดทราบไปดีนะ <c oughs> การจะคุยกับคนก็ต้องดูวคนประเภทนั้นเป็นอะไรอันนี้ผมไม่ได้หมายความว่าพระองค์เป็นพระบาทพิจิตรหัวของประเทศไทยโดยเฉพาะผมหมายถึงว่าท่านผู้จะคุยกับเราเป็นผู้ทรงธรรมหรือเปล่าสำหรับพระบาทสมเด็จพิ่จหัวในกาลที่เก้าผมทราบมาดีพระองค์ทรงธรรมดีเลิศ เพราพง์ก็ไม่เคยเห็นใครปฏิบัติได้ดในอย่างดีอย่างพระองค์ถ้าจะถามว่าเอาผมก็เปรียบเทียบอย่าเลยครับอย่าเข้าไปเปรียบกับท่านพระกับฆราวาสเปรียบเทียบกันไม่ได้พระมีภารกิจน้อยกว่าคราวาสฆราวาสมีภารกิจมากกว่าพระก็ต้องทํามาหากิน พระนี่มีชีวิตอยู่เพราะอาศัยคราวาสเลี้ยงโดยตรงข้อ น, นี้ข้าวันดาเพื่อนพิษษษสุส ม, มันเนิทุกท่านจงอย่าลืมถ้าลืมข้อ น, นี้จะกลายเป็นคนอักตันยูไม่รู้คนๆ ค, ความดีของพวกเราจะหมดไม่ไม่ปรากฏเพราะเป็นคนมีความดี เพระว่าพระพุทธเจ้าทรงสรรเสริญวันนี้มิตรตังสาตรูปานังกตัญญูกตเวทิตาซึ่งแปลเป็นใจความว่าความเป็นผู้มีความกตัญญูรู้อุปการะคนที่ท่านทำแล้วคือท่านช่วยเราท่านสงเคราะห์เราแล้วและเราก็ตอบสนองท่านด้วยความดีพระพุทธเจ้าทรงยกย่องว่าเป็นคนดีถ้าเราขายความกตัญญูรู้คุณ กับท่านผู้มีคณในเมื่อพระพุทธเจ้าไม่ทรงยกย่องว่าเป็นคนดีเราก็เป็นคนเลวเจนนั้นขอท่านทั้งหลายจงอย่าลืมความดีของท่านที่สงเคราะห์แต่สำหรับเครารพก็ต้องดูเหมือนกันท่านโรงเสริมเราท่านสงเคราะห์เราหรือท่านทำลายเราสำหรับท่านที่ทำลายเราแล้วก็เฉย อย่าไปโกรท่านอย่าไปว่าท่านเอ่ถือว่าอาการอย่างนั้นมันเป็นกฎของกรรมแในเมื่อกรรมชั่วเข้าไปสนองใจของท่านเข้าไปครองใจท่านพวกนั้นก็อย่าทำความดีอะไรไม่ได้เลยใครเขาทาดีเห็นเป็นชั่วใครเขาทาชั่วเห็นเป็นดีตัวเองก็ชอบประพฤติชั่วชอบเบียดเบียนคนอื่นอย่างปกติ นี่เป็นลักษณะของอาคศามสงกรรมครอบงําจิตแต่ว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าหัวรัชากาลที่เก้าท่านจะเลื้ยวว่าองค์พระองค์ทรงทําดีมากเจ ร, ริว่าการปฏิบัาปรปฏิบัติของพระองค์การเสด็จไปเยี่ยมบรรดาประชาชนทั้งหลายความจริงพระองค์ไม่ได้เสด็จไปเยี่ยมเฉยๆนะ ไปถามอย่างน้นไปถามอย่างนี้เ้วก็กลับไปใช่อย่างนั้นอย่างไรก็ยังถือว่าดีแต่ว่าดีไม่มากแต่ว่าที่พระองค์ทรงเนตเลยใครเขาขายแคลนน้าหาทางให้มีน้าขึ้นใครเขามีความอดอยากหาทางให้มีให้าทรงชนะานะดีขึ้นทร <c oughs> งห่วงยายประชาชาเป็นอย่างเลิศ อันนี้จะต้องคิดว่าอย่างน้อยที่สุดคําว่าความดีอย่างน้อยนะพระองค์จะต้องทรงคุณธรรมสีประกอการครบถวนไปอันดับแรกนั่นคือสังฆวัตถุสีที่พระพุทธเจ้าทรงจักว่าสังฆวัตถุต้องสีประกการนี้เป็นปัจจัยให้เกิดความร่มเย็นเป็นสุขในท้องที่ที่เราอยู่ ถ้าสามารถปฏิบัติได้ทั้งโลกโลกก็จะมีความสุขสหาวัตถุสี่มีอะไรก็คือหนึ่งทานการให้การยื่นโยนการให้แกงบ้างให้ข้าวบ้างให้ของใช้บ้างต่างกำลังที่เราจะพึงสงเคราะห์ถ้าเขาอดเราให้เขาไม่มีเราให้ถ้าเราไม่มีเราอดเขาก็ให้มีกัน ตีพระพุทธเจ้าทรงการต้องบูชาะระบตีบูชังผู้บูชาเขายอมได้การบูชาตอบวันลโกปฏิวันเท น, นังเราไหวเขาเราก็ได้ไหวตอบคําว่าบูชาหมายถึงการยอมรับนับถือ <c oughs> ไม่ใช่หมายถึงการจุดธูปเทียนบูชากันไม่ใช่อย่างนั้นยอมรับนับถือซึ่งกันและกันไม่เหยียดหยามไม่ทําลายซึ่งกันและกัน ยอมรับสิทธิสิ่งใดกันหนึ่งไม่คิดประทุส้ด้ร่างกายเขาสองไม่อยากได้ทรัพย์สมบัติเขาวองคนอื่นมาโดยไม่ชอบทำสามไม่ยย้แย่งคนรักสี่ไม่พูดปดห้าไม่พูดคำหยาบหไม่พูดส่อเสียด ย, ยุโยงส่งเสริเมื่เขาแตกร้ากันเจ็ดไม่พูดวาจาที่ไร้ประโยชน์ แปไม่ดื่มสุรามีไรเกไม่อยากได้ทรัพย์สมบัติของคนอื่นใดมันมาโดยไม่ชอบทำแล้วกสิบไม่คิดประทุษร้ายใครส1บเอ็ดทำความเห็นให้ถูกก็ลงความว่าถ้าอาการทั้งสิบในการนี้ส่งตัวโลกก็มีความสุขนี่ปัจจัยส่วนหนึ่งที่เราเกื้อกูลซึ่งกันและกัน ก็เป็นเหตุให้มีความดีความชอบต่างคนต่างรักกันต่างคนต่างถนอมน้ำใจกันเื่าต่างคนต่างเป็นมิตรกันต่างคนต่างดีก็หากันมันก็มีแต่ความดีเขาขายแค่นเราให้เราขายแค่งเขาให้ต่างคนก็ต่างรักกันสองปิยวาจาวาจาที่น่ารัก วาจาที่น่ารักที่เขเป็นปจัจจัยเกิดความสุขกายสุขใจเหมือนกันต่างคนก็ต่างรักกันสามอัตตาจริยาการช่วยเหลือในการงานของบุคคลอื่นที่ก็ขายแครงการงานอันนี้ก็เป็นปจัจจัยรักกันสี่สมานัตตาการไม่ถือตัวไม่ถือตนอันนี้ก็เป็นปจัจจัยเกิดความรัก เรื่องความอาดับแรกความดีเขาบันยื้อหัวอันดับแรกนี่สงสัย ว, วัตถุสี่ประการพระองค์ทรงครบถ่วนเป็นความดีเบื้องต้นที่เราจะคึงเห็นต่อไปก็เป็นประการความดีอันดับที่สองในความดีอันดับที่สองนี่ผมไม่จัดเรียงลำดับตามธรรมะนะอันดับที่สองนี่ผมแปลกใจในพระองค์ ผมก็ต้องผิวว่าผมสู้พระองค์ไม่ได้เพราะว่าพระองค์มีภารากิจมากทําได้อย่างนั้นผมทํายากนั่นก็คือไม่ทรงนินทาใครไม่ทรงตำหนิใครว่าเลวผมคือได้มีโอากาสได้เฝ้าพระบาสทสมเด็จยี่หัวหลายครั้ง <c oughs> ก็ต้องบอกว่าหลายครั้ง ไม่เคยทรงตมิเคยเลยอั น, นี้แแมเป็นเรื่องหนักที่คนอื่นทำได้ยากจริงๆและการถือพระองค์ว่าเป็นอะไรพระองค์ก็ไม่มีเข้าไปหาใครก็ตามทรงถือว่าเป็นกันเองอยู่เสมอเจอว่าพระบาทสมเด็จจหัวเวลาเสด็จเยี่ยมประชาชนพระองค์ก็ทรงนั่ง ใกล้ๆเขาคุยกันแบบธรรมดาธรรมดาข้าปู่ย่าตายายทั้งหลายเดินดาประสมนี้ก่อนทั้งหลายถึงคุยตามปกติบางครั้งผมเห็นท่านนั่งปักเพียบคุยกับบรรดาคุณยายทั้งหลายนี่การไม่ถือตัวไม่ถือตนของพระองค์นี่ดีเยี่ยมแต่ว่าครั้งหนึ่งพระองค์สงสัยกับผมเอง กิเลสหยาบที่มีความชั่วมากก็คือมามานะการถือตัวถือตนเร์ทร ง, งถือว่าการถือตัวถือตนเป็นความหยาบของอารมณ์เป็นความหยาบของจิตเป็นกิเลสที่หยาบมากอันนี้จริงแล้วก็เรค์ไม่ทรงถือพระองค์จริงๆริงผมเคยพบขั้นการผู้ใหญ่ในเศรษฐีขั้นการผู้ใหญ่จริงๆรท่านก็ไม่ถือตัว <c oughs> แต่เท่าที่ผมพบนะกการผู้ใหญ่กลยการผู้น้อยส่วนใหญ่จริงๆท่านไม่ถือตัวสำหรับผมแต่ว่ามีบางจุดบางท่านกลายเป็นผู้ใหญ่ไปวางท่าจะมองหน้าไม่ไหวเลยแต่ท่าบางทีพูดนํำลายก็เรียกว่าไม่มีหางเสียง เขาเยว่าพูดพูดยังไงภาษาภาษาชาวบ้านพูดได้เป็นออกคือพูดบ น, บนห้วนสมบัติสม บ, บัติส่วนมากไม่จะเป็นคนณนางคนน้อยวางตัวเกินพอดี <c oughs> ผมเห็นแล้วผมก็สลดใจนี่อีกส่วนหนึ่งที่มีความสำคัญที่สุดของพระบาทสมเด็จพระเจ้ายหัว <c oughs> นั่นก็คือทรงจิต เป็นฌานสมาบัติได้ดีเป็นเลิศผมขอสันเสริญพระองค์การจริงการสันเสริญของผมนี่ก็คงไม่มีผลตอบสนองเป็นวัตถุแต่วนนี้ผมไม่ต้องการด้านวัตถุผมต้องการอย่างเดียวคือพูดตามความเป็นจริงอย่าลืมนะว่าผมพูดถึงเรื่องพระบาสทสเ็จีจ้หัวนี่เป็นเรื่องเล็กน้อยจริงๆ ถ้าไปเทียบกับความดีข อ, องพระองค์มันไม่พัฒนากันไม่ไหวส่วนส้ากงคือกำลังใจของพระองค์ในการเจริญสมาธิสามารถเข้าฌานออกฌานได้ตามเวลาตามที่ต้องการสำหรับด้านมิปาสนายานนั่นท่านทำทั้งไหนผมไม่ทราบพราะเป็นเรื่องความสอายของจิตแต่ผมมีความมั่นใจ ว่าพระองค์ทรงมีความความางความสะอายเขาจิตมากเหลือเกินยากที่จะพจะพูดพ น, นาได้และก็มีคนเขาชอบมาถามว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้ ว, วัเป็นพระอริยเจ้าไหมหรือว่าเป็นพระโพธิสัตว์อันนี้ผมก็ไม่รู้กำลังใจของพระองค์เหมือนกันแต่ว่าถ้าดูด้าน พระราจริยาวัตรของพระองค์แล้วจริยาวัตรของพระองค์สแสดงออกชัดว่าเป็นจริยาของพ่อโพธิสัตว์แต่ก็ผมไม่ยืนยันนะครับเพราะผมไม่ใช่พระพุทธเจ้าอันนี้เป็นทางสังเกตของผมเองก็ลงความว่าพระบาทสมเด็จเจ้าหั ว, วทรงมีความดีขนาดนี้ไม่ดีแต่จริยาที่ประพต์ภายนอก แถมดีภายในไทยายดีมากสะด้วยด้านจิตใจใน่ะดีมากครับอย่าประมาทท่านนะเออดาเพื่อนของผมที่ผมผ้ากาสาวพัด <c oughs> ถ้าเห็นบระบาสนิยหัวสัเพเดชมาแล้อไปไหนก็ตามจงอย่าคิดว่าท่านเป็นครวะธรรมดา ความจริงท่านก็เป็นคราวาสธรรมนงสมองจีวรได้กำลังใจอารมณ์จิตของพระองค์นี่สะอาดมากบางทีพวอผมจีสมองจีวรหลายๆท่านไม่สามารถจะทำความดีได้แค่หนึ่งในร้อยของพระองค์ก็มีมากทั้งนี้เพราะอะไรเรว่าผมเป็นนักบวช ผมย่อมรู้ในจริยาของนักบวชนักบวชที่ดีท่านก็มีมากที่เลวไม่เอาไหนเลยท่านก็มีมากกรรงความแล้วว่าวันนั้นผมจะต้องเฝ้าพราะบาทสมเด็จพิเจยหัวเป็นวาระแรกที่เสด็จมาถึงวัดท่าสงูงก่อนนี้ก็ไม่เคยเฝ้า ถ้าผมจะไม่ผิดผมไม่ได้จดไว้นะอาจจะเป็นวันที่ยี่สิบเมษายนก็ได้ก็องความว่าก่อนที่จะเข้าพบกับพระองค์ผมทำยังไงอันนี้กำลังใจด้านแรกขอแนะนำกัมมันดาเพื่อนพิสุทธมันเลนที่มีกำลังใจไม่เข้มแข็งอย่างผม ผมก็ทราบว่าถ้าพบพระบาทสุตจิ๋หัวตามลำพัง้งว่าตามลำพังหมายว่าไม่มีกลุ่มคนมากไม่อยู่องค์เดียวแต่ว่าเป็นส่วนน้อยตอนนั้นก็ต้องคิดว่าพระองค์เป็นใครสำหรับกำลังใจผมมีความรู้สึกเหมือนกับทียายที่เขาเข็งกัน เพราะว่าประเทศเมื่อถึงคราวทุกยากลําบากยากแทนจะต้องมีพระราชาทรงธรรมที่เรียกว่าทำ ม, มิการาถ้าทำ ม, มิการาชามาสรงเคราะความจริงทำ ม, มิการาชก็ดีทำมิการาชาก็ดีมมกาาด็ไม่มีอะไรถ้าแปลเป็นภาษาไทายก็เรียกว่าพระราชาผู้ทรงธรรม ถ้าอยากทิการายขึ้นมาอโอ้โหใหญ่โตได้เกินแต่ความจริงก็ใหญ่คนที่ทรงไว้ซึ่งความดีเราจะถือว่าเล็กไปได้เขาจะมีฐานะเช่นใดก็ตามถ้ามีความดีเราก็ต้องเกิดบูชาความดีของท่านผู้นั้นตานรับสําหรับพระบาทสมเด็จเจ้าอย่หัวที่ผมไม่สงสัยที่ไม่สงสัยเขาว่าอยไหวไงก็ช่าง เพราะในยุคนั้นเขาหาผมเป็นคนบ้าอยู่แล้วนี่ผมก็ต้องบ้าคิดตามอารมณ์ของผมผมคิดว่าวันนี้เราจะพบกับพระราชาผู้ทรงธรรมเรียกตามภาษาบริีวธรรมวิจรรารัตถ้อยคำของพระองค์ที่ทรงจัดออกมาแต่ละคำต้องประกอบไปได้วยธรรมและสำหรับผมเองก็ไม่จะเฟื่องฟูในธรรม ไม่ใช่เป็นผู้มีความรู้รอบคอบทุกสิ่งทุกอย่างอย่างที่บรรดาบางท่านมีความรู้อยู่ผมจะทำยังไงถ้าระบาทในที่หัวทรงถามอะไรขึ้นมาล้าผมตอบไม่ได้คำว่าผมตอบไม่ได้ผมก็ไม่ได้อายพระองค์เพราะว่าผมเองก็เม่ไสับคนอยู่ไม่รู้ทั้งหมดผมสามารถจะตอบได้ก็ได้ไม่ได้ก็ได้ แต่ก็คิดในใจว่าถ้าอะไรบ้างที่ไม่เกินความสามารถของเราและก็ไม่เกินความฟัามสามารถของท่านผู้ทรงเคราะห์รงเคราะห์ผมอยู่นะท่านผู้ทรงเคราะผมอยู่นี่เป็นท่านที่พวกท่านเคยเห็นแต่ก็ไม่ปรากฏเป็นร่างเนื้อและหนังให้ปรากฏผมคิดว่าผมควรจะตอบได้ทุกอย่างที่พระองค์ทรงจัดถาม ตามนี้คงไม่ต้องคงก็จะไม่ใช่เฉพาะปัญญาของผมเยาจะขอพึ่งบา ร, รมีท่านโปรสรงคนพิเศษยานั้นเวลาที่จะเข้าเฝ้าพระบาทสมเด็จเจ้าหัวในพระองสในบทวัฒาสุลก็ได้รัตนาบา ร, รมีของทุกๆุพระองค์ที่สงเคราะห์ว่าถ้าพระบาทสมเด็จเจ้าหัวทรงถามอะไรขึ้นมา ก็ก็ตอบได้ตรงทางความจริงวันนั้นเโอกาสอยู่กับท่านคือท่านสมสนาด้วยตามที่เวลาเจ้านาทีเขาบอกมาเขาบอกว่าพระองค์ทรงใช้เวลาส5้านาทีซึ่งมีใครเขาบอกมาก็ไมังสับว่าพระองค์จะทรงพบได้แค่สิบห้านาทีผมคิดว่าคนอย่างผม ทีมีเวทสนาบารมีต่ําต้อยอย่างนี้ถ้าจะประโอกาสอยู่กับรพระเจดีย์หัวเป็นงครึ่งแค่ครื่องวินาทีผมก็ชื่นใจทั้งนี้เพราะอะไรเพราะพระบาทสมเด็จยีหัวองค์เดียวของประเทศไทยคือประเทศไทยได้มีพระบทัทเจดีย์หวัวครั้งนั้นหนึ่งองค์และคนไทยเวลานั้นทั้งสี่สิบห้าล้านคน ก็ยากที่จะเข้าไปใกล้แต่ว่าพระบาทสมเดจ็จเู่หองนี้แปลกกว่าองค์อื่นทั้งหมดซึ่งมีประชาชนได้มีโอกาสเข้าใกล้พระองค์มากที่สุดไอดินแดนดต่างๆที่รเราส่สเสด็จแล้วสเสด็จไปเข้านั่งไกรคนมีโอกาสขยีุ้ดโอชาปาาัยพูดโดยเสมออันนี้มันของหาได้ยาก แต่ถึงวันนั้นก็ดีทุกคนก็จะทาอย่างนั้นได้ยากถ้าจะหาคนทุกคนไม่ได้จั้งสี่ถึงห้าล้านคนเวลานั้นแล้วถ้าผมมีโอกาสสักครึ่งวินาทีผมก็จะชื่นใจว่าในสี่ถึงห้าล้านคนผมก็คนหนึ่งที่มีโอกาสเขาได้เข้าเฝ้าพระราชาผู้ทรงธรรมคำว่าพระราชาผู้ทรงธรรมอยาคิดว่าผมยกย่องโรองค์เกินความเป็นจริงนะ ผมบอกแล้วนี่อย่างต้นอันดับต้นสังหา ว, วัตุสี่หัองค์ครบถ้วนการสุดท้ายกำลังใจสูงส่งในด้านสมถวิปัสนาและขันติกำลังใจเมตตาขององค์ทรงดีมากคือใครว่าอะไรก็าตามนินทาอะไรก็าตามไม่เคยโตตอบและก็ไม่เคยตำหนิใครววาชัวอันนี้หาได้ยาก ยิ่งถ้ามากไปกว่านี้ผมคิดว่าเทปอีกสักร้อยมนผมพูดเรื่องของท่านไม่จบ ก, กรลองความเมื่อวันนั้นเข้าไปพระองค์ก็ไม่ทรงแสดงชัดไม่เคยถือพระองค์แล้วผมเองก็เป็นพระป่าพระดงราชาศัพท์ผมก็เข้าใช้กับเขาไม่เป็นไม่รู้พระเขาพูดกับเจ้ามดินว่าอย่างไง ผมก็เล่นลูกทุ่งตามปกติตามปกติของผมท่านถามมาผมก็ตอบไปท่านถามมาผมก็ตอบไปผมจำไม่ได้ถามเรื่องอะไรบ้างมาในช่วงหลังที่เขาจะนึกออกท่านถามถึงภาวะความเป็นไปของชาติและประชาชนในชาติเห็นไหมบรรดาคนบริสุทธิ์สมณีอดีตยาตโยมผู้บริษัท ท่านไม่ได้ถามว่าพระองค์จะมีความสุขพรงเองจะร่ํารวยขนาดไหนไม่ได้เคยพระรอพระองค์เองเลยทรงประรอบเฉพาะว่าเวลานี้เนะี่ยบ้านเมืองมันเต็มด้วยความขับแคบบรรดาประชาชนอดอยากยากจนกันมากผูยเคืองมากท่านถามว่าต่อไปชาติเราจะเจริญรุ่งเรืองขนาดไหน และยังมีความโดนสมบูรณ์ขนาดไหนถามเข้าตรงนี้บรรดาเพื่อนพิสุทธ์สมนเนรผมก็ไม่ไหวที่ตัวคนเดียวนะไม่ไหวสู้ไม่ได้แล้ว <c oughs> งานเหนื่อยก็เหนื่อยพม่มีการเตรียมการไม่มีหมายกระตุกการบอกจะถามกันอย่างนั้นยิม้มรู้ว่าท่าถามเกินโหดีนะไม่ใช่ ผมทำยังไงผมก็ต้องเอาบารมีพระพุทธเจ้าเขาช่วยและบารมีของบรรดาพระสาวกทั้งหลายและเทวดาและพงเขาช่วยผมนึกไปก่อนแล้วเนี่ยคอยดลใจผมตอบได้เมื่อท่านถามมาผมก็ตะถวายพระผรไปเพราะว่าหลังจากนี้ไปเข้าเขตกอสสองพันห้ารอยี่สิบสี่ บ้านเมืองของเราจะเข้าเขตชะตาฟ้าสางคำว่าฟ้าสางนี่จไหมยความมันยังไม่สว่างจะมองเห็นหน้าก็ไม่ถนัดแต่ว่ามันก็ดีกว่ามดืดถ้ามืดตื่นสถิทีเดียวจะมองไม่ได้ะไรเลยฟ้าสางเห็นบางรางแต่ไม่ชัดเจนเห็นคนรู้ว่าเป็นคนแต่ยังไม่รู้หน้าเป็นยังไงเข่าก็ดำผมงอกแล้วผมดำก็ไม่สราบนี่เปรียบเทียบกัให้ฟัง ยะตาของประเทศไทยก็เช่นเดียวกับท่าปีสองสี่จะเริ่มเข้าเกณฑ์บอกว่าประเทศไทยต่อไปนี้จะไม่ยากจนนักให้กระซองถามต่อไปถามถึงว่าอะไรมันจะมีขึ้นมาบ้างมันจะดีขึ้นมายังไงผมก็จําชัดเลยได้อยากทราบว่าต้องการจะาราบชัดให้อ่านหนังสือพระเมตตาเพราะตอนนั้นเขียนระยะใกล ก็ออทุนไปอะไรได้แบ่งกับไอ้ซาบแต่พูดเรื่องถึงน้ำมันด้วยมันมีแร่ธาตน้ำมันถ้าว่ววันนี้จะไปทีงไหนกันล่ะก็ต้องหยุดกันแค่นี้ก่อนเพราะสัญญาณบอกหมเวลาปรากฏแล้วนี่แต่คืนพูดไปที่เป็นก็นเลยหน้าไปใช่ไม่ได้ขอลาก่อนขอความสุขสวัสดิ์พิพัฒนมงคลสมบูรณ์ูนผ ล, ผล จงมีเดวันดาวท่านพุทธศาสาน์กระจนและเพื่อนบิสุทธสมันเนรผู้รับฟังทุกท่านสวัสดี